ดันั้นบางคนที่ออกมาปฏิเสธพระรัตนตรยัยจึงเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารปฏิเสธมีสองอย่างปฏิเสธโดยคําพูดและโดยพฤติกรรมเนื่องจากว่าประเทศเรามันเป็นประเทศเมืองพุทธไม่กล้าปฏิเสธโดยคําเดี๋ยวถูกประนามเดี๋ยวเอามาถูกประจานว่างั้นแต่ปฏิเสธโดยพฤติกรรมดีกว่าไม่รับรู้ไม่รับเห็นไม่รับทราบไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องฟังไม่ต้องสนใจปฏิเสธตัดทิ้งโครงการเหล่านั้นซะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการทําลายโดยเรียกว่าเลือดเย็นยิ่งกว่าออกมาต่อต้าน อ, อนนะไรอย่างนั้ออกมาต่อต้านอย่า ง, างหักล้างกันด้วยเหตุผลก็จบลนะแต่ว่าออกมาเรียกว่าปฏิเสธไม่รับรู้ไม่รับเห็นไม่ต้องการทราบไม่รับรู้ไม่รับท ร, ร, ราบไม่ต้องการจะทราบเนี่ย น, นี่ก็ก็จบเลยนะทีนี้ก็เหลือแต่ความเดือดร้อนเนี่ยนะก็เหลือแต่ความทุกข์ความยากความลําบากแต่ก็มาคิดอีกทีหนึ่งถ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นญาติเราเนี่ยเราจะทําใจยังไง ก็ามาเคยมีญาติผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งน่าสงสารมากเกิดมาก็เกิดมาใส่บาตรครั้งเดียวชั่วชีวิตทําบุญใส่บาตรครั้งเดียวไอ้ที่ใส่บาตรก็ใส่งานศพไม่ได้ไปใสกาานะ่กับฐินนะก็เขามีบาทวางเอาไว้ก็มียืดข้ามาให้จานหนึ่งแล้วก็เก็บเอาไปวางไว้ในบาตรแค่นี้นั่นแหละใส่บาตร เ, เกิดมาก็ทําอย่างนั้นครั้งเดียว น, นะนะสินห้านี่เหลือเหลือสักข้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้ชีวิตอย่างนี้หกสิบกว่าปี เขาว่าบอกว่าโอกาสที่จะโงกเงยนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะนึกไม่ออกเลยว่ามันจะได้ดีได้ยังไงอันนี้เป็นญาติญาติค่อนข้างใกล้ชิดมากก็นั่งนึกหน้าโหดแล้วญาติเราถ้าเป็นอย่างนี้หมดทำไงเนี่ยนะมันน่าสงสารขนาดไหนขอเราอย่าได้เป็นเช่นบนรรพบุรุษบางคนของเราเลยเนี่ยนะไม่ต้องเป็นหรอกขอให้มันแตกแนวแตกกอออกมาเป็นดีที่สุดแล้วนะนะไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเพราะสงสารตัวเองเนะนะเพราะเรื่องอะไรนะมันสุขทุกข์มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวกรรม เรื่องบุญกรรมเรื่องบาปกรรมมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ใดเป็นยังไงก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าบรณพบุรุษตกนรกแล้วลูกหลานจะต้องตปอามไปด้วยไม่จําเป็นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมียังไงที่มันจะเป็นช่องทางออกบ้างนะเราต้องเอาบัณฑิตทั้งหลายเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหนเป็นบุคคลในดวงใจนะเราก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้ที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งถ้าเอาบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัย ทนี้ไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยทําลายพระพุทธเจ้าด้วยนะี่สิน่ะทําลายพระพุทธเจ้าด้วยจะขนาดไหนเลยหลายอย่างเนีพยายามศึกษาให้ดีๆว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยทําลายพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระองค์กันแน่ต้องพยายามหัดทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นการบูชาหรือทําลายเนี่นยนะหมายความว่ายื่นประทัดไปใสายเอาบอกแม้บูชาพระพุทธเจ้าจุดประทัดหน้าพระโอส์ดีกว่าอ่ะนะ เห็นอะไรนะอย่างเช่นพระพุทธรูปใช่ไหมบอกว่บูชาพระพุทธรูปไหมจุดประทัดเนี่ยนะเอาประทัดเนี่ยไปวางไว้ที่พระเศียรแล้วก็จุดประทัดเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะทว่าบูชาหรือทาลายกันแน่ท่านผู้ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ต้องค่อยๆละเอียดที่ท้วนหน่อยนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเป็นการบูชาสิ่งที่พระองค์เเรียกว่าเป็นการบูชาโดยธรรมอยู่หรือ แล้วพระองค์ต้องการให้สาวกทั้งหลายบูชาพระองค์อย่างนี้หรือสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่พระองค์ห้ามหรือพระองค์อนุญาตถ้าสิ่งละสิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่พระองค์ห้ามพระองค์ตำหนิอย่าทำเลยมันไม่ดีเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสทุกคาพระองค์บอกว่า น, นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลาย เพราะพระองค์ um ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสิ่งที่พระองค์ห well, ้ามเนี่ยนะแสดงว่าเป็นไปเพื่อทุกโทษอยู่แล้วสิ่งใดที่พระองค์บอกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอยู่แล้วฝันสาวกควรทําในใจเสมอว่าทําอย่างไรที่จะรู้ตามทําอย่างไรที่จะเห็นตามมันเราจับพระพุทธเจ้าเป็นหลักคำว่าจับพระพุทธเจ้าตัวนี้และถือพุทธังสารนังคัจฉามิเป็นหลักนะก็เข้ามาว่าเราอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนา มันก็เดียวว่าหมดพระพุทธศาสนาก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีแต่ทีนี้ถ้าตอนนี้ถ้ายังมีพระพุทธศาสนาขอเอาพระพุทธศาสนาเป็นหลักพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์บอกอะไรพระองค์มีคุณธรรมเช่นใดเนี่ยนะแล้วพระองค์ดีอย่างไงเราจะสรมเสริญพระองค์ได้อย่างไรอย่าลืมว่าคําพูดที่เราสรมเสริญพระพุทธเจ้าหนึ่งคำนี้ได้บุญอยากหาที่สุดไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยกับคนพานหนึ่งคำได้บาปหาประมาณไม่ได้ถ้าเห็นด้วยสรรเสริญผู้ ผู้ทรงคุณคือพระพุทธเจ้าหนึ่งคำก็ได้บุญหาประมาณไม่ได้ก็ต้องแยกให้ให้เป็นเนี่ยนะว่าคบคนพาลกับคบบัณฑิตเนี่ยเขาดูที่ไหนดูที่กายดูที่วาจาและดูที่ใจอย่างสมมุติเนี่ยว่าวาจาวาจาของเขาในชีวิตจริงเขาคบคนพาลหรือคบบัณฑิตดูว่าเขาพูดถึงใครวันวันหนึ่งถ้าเขาพูดถึงบัณฑิตอยู่ทุกวันแสดงว่าเขาคบบัณฑิตถ้าเขาพูดถึงคนพาลทุกวันแปลว่าเขาคบคนพาล ะนะนั้ีวิธีสํารวจตรวจสอบว่าเป็นมงคลหรืออภิมงคลในชีวิตจริงนะแล้วก็มาดูว่าวันๆหนึ่งเราชมพูดถึงคนพาลมากหรือพูดถึงบัณฑิตมากถ้าพูดถึงบัณฑิตมากแปลว่าเราครบบัณฑิตถ้าพูดถึงคนพาลมากเราครบคนพาลทีนี้พานบัณฑิตของเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนนะถ้าพระพุทธเจ้าก็เอาอิติปิโสเป็นเครื่องวัดถ้าพระสงฆ์ก็เอาสุ ป, ปฏิปันโนเป็นต้นเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็เอากรรมาบทสิเป็น เครื่องวัดวาา่าถ้าคนดีก็ต้องคือคนที่เขาประพฤติกุศลกรรมบทสิบคนเลวก็คือคนที่ล่วงอกุศลกรรมบทสิบเราพูดถึงคนที่รักษากุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทมันก็รู้ได้เลยเช็คได้เลยว่าเรานี่ธาตุเป็นเป็นธาตุชนิดใดก็บอกก็มีบางคนก็ออกมารักอนุรักษ์กลุ่มพวกนี้เอาไว้บอกพวกนี้แล้วแต่อัธยาศัางงออยว่ากั้นเอออัธยาศัยเขาเรียกว่าอัธยาศัยคบคนมผ่านก็อนุรักษ์อีกเหรอ อัธยาศัยแบบติดยาเสพติดเนี่ยนะท่าเขามีอัธยาศัยจะเสพยาก็ให้เขาเสพไปอย่างรรานี้รือป่าเนี่ยนะทัานลูกหลานเราจะถ้ามีอัธยาศัยขี้เล่าเมายาก็ปล่อยเขาไปมันเป็นอัธยาศัยของเขาเนี่ยนะมีใครทําอย่างนี้บ้างไหมมีใครทําหรอกมันอะไรที่เร็วๆมันจะไปปล่อยตามอัธยาศัยได้ยังไงแก้ไขแต่อะไรที่ดีเออปล่อยไปมันดีอยู่แล้ว ไปสกัดจุดอ่อนเขาเออไปสกัดจุดเขาทําไมส่งเสริมเขาสิก็เนื่องจากว่าเขาทําดีแต่ถ้าเขาทําเลวไปส่งเสริมทําไมมันก็บันไลทั้งหมดเนะี่ยบันไลทั้งตัวเขาเองด้วยสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นด้วยพระองค์บอกว่าภัยทุกชนิดเกิดจากคนพาลไม่ได้เกิดจากบัณฑิตเลยอุปสรรคทุกชนิดเกิดจากคนพาลไม่ได้เกิดจากบัณฑิตเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องราวเลวร้ายทั้งมวลเกิดจากคนพาลไม่เคยเกิดจากบัณฑิตเนี่ยนะ เพราะนั้ั้วกลุ่มคนผานี่ยก็ต้องแยกให้ดีเพราะจะดูว่าเราครบคนผานหรือคบบัณฑิตก็ดูที่สิ่งที่เราทําทุกวันทาที่เราพูดอยู่ทุกวันความนึกคิดประจําวันของเราเนี่ยคบใครมากแล้วก็ที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าเราครบบัณฑิตไม่ถึงบรรลุมรรคผลเนี่ยอดีเราครบคนผานมาน้อมเพื่อจะกลับไปสู่คนผานต่อไปอีกได้ไหมต้องไม่ลืมตัวเองนะถ้ายัางเวียนไหวตายเกิดเนี่ยสมมติว่าเราเคยทําปาณาติบา อา้าวตอนนี้ไม่ทำแนละ้วเพราะเรามีศรัทธานในพระรัตนตรัยยังไงเราก็ไม่ทำถ้าหมดเลิกนับถือพระพุทธเจ้าถ้าไปอยู่ในสมาคมเหล่านั้นเรายังทำปาณาติบาตอยู่ไหมอีกท่องไปอยู่ในในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบนั้นเราจะทำไหมอาอาจจะเป็นหัวหน้าเขาก็ได้เนี่ยนะก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรปลอดภัยพร้อมที่จะอะไรนะ จริงอยู่อาจจะตอนนี้ทําเป็นล็อกประตูนรกปิดๆไว้หน่อยนะแต่ตอนหลังแต่มันแฝ่แบบมีช่องว่างเลยเกินเตรียมกุญแจไว้ไขออกหมดเลยอย่างไงมันก็อันตรายมากๆมันก็ต้องพยายามทบทวนดูว่าทํายังไงที่จะปิดอบายแล้วก็เบิกฟ้าให้ตัวเองได้สําเร็จเรียบร้อยเนี่ยนะมันก็สารณะของเราเนี่ยดีที่สุดมันโดยเฉพาะที่เราจะทํายังไงจะสันเสริมพระพุทธเจ้าก็คิดดูนะว่าคนที่ตําหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยตําหนิว่าอะไร ธรรมะอันรู้เอโลกุตระมัคของพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยการตรึกเป็นต้นพระองค์ไม่รู้จริงพระองค์ไม่มีคุณธรรมอยู่จริงพระองค์บอกเลยว่าถ้าไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละคืนทิฏฐิแน่นอนตกนรกแน่เหมือนอะไรเหมือนนายนรียาบาลไปจับโยนวางไว้ในนรกแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเรามาสรรเสริญว่าพระองค์รู้รู้ดีรู้ยิ่งด้วยอริยมรรค พระองค์แสดงธรรมด้วยสัพพัญญุตยานเป็นพื้นฐานเป็นสมุทฐานพระองค์มีพุทธคุณแสดงว่าเที่ยงแท้ที่จะขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาเชื่อเชิญไปปฏิสถานเนี่ยนะคือคือนัยยะถ้าคิดตามเนติปกรณ์มันจะเป็นแบบนี้ น, นะว่าถ้าผู้ใดชื่นชมพระองค์ที่มีคุณเช่นนี้ก็ต้องขึ้นสวรรค์เนี่ยนะเขามาก็มาชมเผื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เผื่อไว้ก่อนนะนะอ้าวถามว่าทําไมเผื่อก็ต้องดูว่าถ้าไม่ทําบาปก็ไปดีอว่างนั้นค่ะ แต่ถ้าหากว่าเรายังอยู่ในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยรักษาเราแน่นอนเนี่ยนะแต่ก็ถ้าหากว่าทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็นะไม่รู้ใครจะรักษาใครแล้วนะมันก็ขอให้ช่วยรักษาใจเราให้อยู่กับพระรัตนตรัยให้บ่อยให้มากที่สุดเนี่ยนะทุกคนรักษาตัวเองแล้วกันนะอย่าคิดเลยให้คอยคนอื่นมารักษาให้ถ้าเราไม่ตั้งอัตตาสัมมาปณิทนะี่เนี่ยนะอ้างโอ้ยยังไงยังไงก็อยทิ้งกันนะโอ้เจ้าไม่ทิ้งกันหรอก ไปฟังธรรมไหมบอกไม่ไปไม่รู้จะชวนกันยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะตอนเครียกว่าตอนสั่งเสียกันอะไรกันโอ้ยยังไงก็ไม่ทิ้งกันเด็ดขาดนะเอาเข้าจริงๆบอกไปฟังธรรมไหมบอกไม่ไปนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณเลยเลิกอันนี้อะไรใครแล้วบอกอาจารย์อย่าทิ้งโยมนะอย่างงั้นอย่างนี้นะโอ้ยก็าทาพูดเหมือนว่าเราจะเชื่อได้งั้นนะมันละไปฟังธรรมไหมบอกไม่ไปนะ ว่าบอกว่าของใครก็ของใครกันแล้วกันเราไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขเสียใจเอาไว้พูดที่อื่นให้เขาได้ยินเนื้อในข้อ168ดูก่อนสาทิบุตรบริษัท8จําพวกเหล่านี้แหละ8จําพวกเป็นฉไนบริษัท8ก็คือกษัตริย์ขัติยะบริษัทก็คือกษัตริย์บริษัทกษัตริย์บราหม a n a บริษัทบริษัทพราหมณ์คฤหบดีบริษัทบริษัทเศรษฐี เรียกว่าสมาคมเศรษฐีอ่ะนะบริษัทก็คือพวกกลุ่มสมาคมกษัตริยสมาคมพราหมณ์สมาคมเศรษฐีสมาคมสมณะแล้วก็จาตุมหาราชิกะบริษัทสมาคมเทวดาชั้นจาตุมสมาคมเทวดาชั้นดาวดึงสมาคมเทวดาระดับมารหรือว่าสมาคมของหมูพรหมบริษัทก็คือกลุ่มสมาคมองค์รวมของบุคคลเหล่านั้นดูก่อนสารีบุตร บริษัทแปดจำพวกเหล่านี้และดูก่อนสาริบุตตะทาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรมสิบการเหล่านี้แลย่อมเข้าไปหาย่อมอย่างลงสู่บริษัทแปดจำพวกเหล่านี้คือพระองค์นี่สมบูรณ์ด้วยเวสารัชญาณสประการเนี่ยหนึ่งใครก็โจทย์พระองค์ไม่ได้ว่าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะหรือไม่รู้สองไม่มีใครโจทย์ว่าพระองค์ยังเหลือกิเลสสพระองค์บอกว่าอะไรเป็นอันตรายก็ไม่มีใครฆ่าออกมาค้าน สี่าพระองค์บอกว่าปฏิบัติโพธิปักจยธรรมบรลมักผลนิพพานแน่ก็ไม่มีใครปฏิเสธพระองค์ก็ไม่เห็นว่าตัวเองต้องตกใจอะไรเมื่อไม่เห็นว่าตัวเองต้องตกใจอะไรไม่มีอะไรที่จะต้องขั้นขรามเวลาเข้าไปสู่บริษัททั้งแปดบริษัทแปดสมาคมเหล่านี้เช่นดูก่อนสารีบุตรเราย่อมเข้าใจได้เข้าไปหาขติยะบริษัทหลายหลายร้อยอย่างเช่นสมาคมกรรษัตริย์ิชวีนี่มีเป็นร้อย เมืองนั้นเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองอยู่ 7,700 กว่า อ, องค์แต่ทันั้นอย่างกบิลพัทเนี่ยมีสมาคมกษัตริย์เป็นหมื่นองค์เลยนะก็คือเป็นชนชั้นกษัตริย์ซะเยอะแยะไปหมดเลยพระองค์เข้าไปในกษัตริย์บริษัทเหล่านั้นเคยนั่งใกล้เคยทักทายปราศัยเคยสนทนากันดูก่อนสารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะกกล้ำกลายเราในขัตยะบริษัทนั้นเลย ไม่เคยตกใจไม่เคยหวัน่นไม่เคยหวาดไม่เคยถวาหรือว่าไปนั่งแล้วเหงื่อซึมเลเป็นต้นเนี่ยนะนจะเอาไงกับเราเนาะเนี่ยพงษนีครับมันพราะเหงื่อซึมเป็นต้นไม่มีเคยไม่ไปที่ไหนสักแห่งแ น, นั่งเหงื่อซึมเนยนะเมื่อไรจะเสร็จสักทีว่าท้องไส้ปันป่วนไปหมดยังเนี่ยงษนะี่ไม่พระองค์ไปที่ไหนที่ไหนก็มันเหมือนกันหมดอ่ะนะ ดูก่อนสาริบุตรเพราะเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะกกล้ามกลายเราในขัตย่บริษัทนั้นเลยเมื่อไม่เห็นเหตุนี้เราก็ถึงความเป็นผู้ปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้แกล้าอยู่ดูก่อนสาริบุตรอันหนึ่งเราเข้าไปหาพรามมนณะบริษัทบริษัทพราหมณ์ผู้แหมแต่ละคนเนี่ยมีศิลปะมีความรู้ ทุกอย่างอย่างชั้นยอดเลยครึ่หาบดีบริษัทมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยนะหรือสมณะบริษัทนักบวชที่ออกมาจากวั น, นะต่างๆที่ฉเฉลีวฉลาดเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงและมารบริษัทรวมทั้งพรมบริษัทจํานวนพวกละหลายหลายร้อยไม่ใช่เข้าไปหาแก่คนเดียวนะนี่เข้าไปหากลุ่มใหญ่มากเลยแมในบริษัทนั้นๆเราเคยนั่งใกล้เคยทักทายปลาใสเคยสนทนากัน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 ด่าเรา ซ, าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้มาหากันว่าธรรมะอันยิ่งคือโลกุตระมัคที่เป็นญานษษณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมเนี่ยแสดงคำที่แสดงมาเนี่ยไม่ใช่ประจักษ์แจ้งแต่แสดงมาเพราะการตรึกไตรตรองคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสีย ไม่สละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิถินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธ yes, ิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกรยิมอรหัตผลในปัจจ ah ุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราก si ล่าวอุปมหยนี้ก็ฉันนั้นผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิถินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรก ตกนรกแน่นอนนะไปด่าคนที่มีคุณธรรมขนาดนี้เนี่ยนะแม้มันหนักกว่าเรียกว่าทลึงตาดูดวงอาทิตย์อีกนะโกรธดวงอาทิตย์มา ก, กวันนี้จะต้องตากระแะนะจ้องตากันให้มันกระเสียหายไปข้างหนึ่งเลยนะโปรดแคนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันพันดวงเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยบอดสนิทเลยแหละใชฮะมันก็คนที่โกรธพระพุทธเจ้าเนี่นะนึกในใจนะพระองค์เนี่ยมาเพื่อจะช่วยเขาเองแล้วเขาเนี่ยเกลียดพระพุทธเจ้าที่สุดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น มันก็ทางอื่นไม่มีอีกแล้วนะนัททีเมสรนังอันยังพุโทโธเมสรนังวรังนะบัณฑิตคนมีปัญญาทั้งหลายเขาก็พูดกันอย่างนั้นทั้งนั้นแหละเขาเขาาไม่มั่นใจว่าถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเขาจะไปรอดได้อย่างไรบัณฑิตทั้งหลายเขาก็พูดกันอย่างนี้เท่เท่าขนาดอย่าว่าเราเลยพระอินเนี่ยนะปกครองเทวลโลกสองชั้นแนละ้วมีอำนาจควบคุมมนุษย์ด้วยในระดับหนึ่งเนี่ยขนาดนั้นนี่ยังเหงื่อท่วมเลยเหมือนกันเถอะเจอชราและมรณะเข้าไปนี่เหงื่อท่วมต้องไปฟังธรรมแล้วจึง บรรลุได้พรหมทั้งหลายเป็นต้นก็คล้ายๆกันเขาเหล่านั้นก็ยังผวาเลยอย่างนั้นเลต้องพึ่งบุญของพระพุทธเจ้าพึ่งปัญญาของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าช่วยชี้ทางให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งพระองค์ก็ช่วยเขาเหล่านั้นสำเร็จแน่แท้แต่ที่นี้ขนาดผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ยังยอมรับพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้า อันพระองค์นับถือว่าพระองค์ผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาพระราชามหากักริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็นับถือพระพุทธเจ้าพอบัดมาสมัยใหม่นะครคนที่ไม่รู้พระคุณก็เลยออกมาปฏิเสธพระพุทธเจ้าการปฏิเสธพระพุทธเจ้าทั้งโดยพฤติกรรมก็ตามโดยคําพูดก็ตามนั่นจะเป็นไปเพื่อทุกโทษเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเป็นไปเพื่อความทุกยากลําบากแก่เขาทั้งในปัจจุบันและ สามปรายภพเนี่ยนะ